พระธรรมเทศนาแผ่นที่เจสบลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27มกราคม2558หมีชื่อเรื่องว่าประตูกรรม เมื่อเนีเป็นวันที่ยี่สบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสอง8รห้าปดเมื่อนีเป็นวันคืนแดค่ำเดือนสามมื่อเอินหลวงพ่อจะได้ไปฉันจังหันโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพิ่นนิม่อนผาในวัดเท่า ไปสวดมนต์แต่หลวงพอก็เลยถือโอกาสในเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระสองฆ์องค์ใดที่ไปที่ตรวจอย่างกัตรวจสุขภาพตรวจอย่างกัหมอพึงกรยินดีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะไปเบิงอาคารที่หลวงพ่อสั่งให้กับโรงพยาบาล น, นั่นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เงินเฉพาะเงินสดในประมาณสองล้านสองล้านสักหมื่นตนๆนี่แหละแต่โบนับอุปกรณ์ด้กระเบื้องอีกนะกระเบื้องนะท่านองคมนตรีผลถวายมากมอบมาให้ลงพอกระเบื้องเกรดเอขนาด40่สพูนสส หกลอยหกลอยหาสิบกองกระเบื้องปูห้องน้ำอีกขนาดสามสิบพุ่นสามสิบสี่อยเก้าสิบกองรวมเราเป็นหนึ่งพันหนึ่งลอยสี่สิบกองอันนั้นเห้าบ่นใ้นับบ่น้นับเขาเงินอ น, น, นี้แต่จะพะเงินจะตุก ป, ปัจจัยที่ขนาดของเสียต้ม ถวายมาประมาณสี่แสนของเสีย อ, อ๋อกับญาติพี่น้องเขาเพิ่อีกสแสนร่วมเราใช้เงินไปประมาณ 2, สองลาอ้านสองล้านบดถึงแสนเนาะสองล้านตน้ต น, ตนบอ ร, ร่วมบอ ร, ร่วมกเว็เบิกอันนี้ก็คืออาค้านผักญาติร่วมต้องหองน้ำหองน้ำจริงอีกส2บสองหองหองชําห้องน้ำชายหกหอง โภปสวะอีกและก็ห้องน้ำข้นพิการและก็ห้องพักหยาดวายหญิงชายอีกดูคนหลวงพอว่อวัปตะมกดลอยสองลอยค้นให้เขาไปนอนมาและก็มีห้องมูลนิธิห้องมูลนิธิพระอาจารย์อินถวาย ดูแลสงอาพาธอีกอยู่ในติดกันนะแล้วก็ห้องประชุมมูลนิธิอีกติดกันหันอยู่ในชั้นเดียวกันเพราะว่าตึกหลังนี้เป็นตึกใหญ่เลยที่หลวงพ่อสร้างตึกใหญ่ตึกสิบชั้นจอดรถประมาณเจดประมาณเจ0ดลอยขั้นเและกระทั่งไต่ล่างสุดนี่หลวงพ่อก็เลยเหตุให้เป็นที ผักหญาดของคนป่วยคนไข่แต่คิดเป็นเงินออกมาแลวก็คงจะประมาณสักสองล้าน ก, กว่าๆเนี่ยหลวงพ่อว่าแต่หลวงพอก็บก่ได้พิถีพิทันรอกจิตปิดกีป่ปีหลายมันบุญเมนพอขาว่านเน็ตมีแต่เข้าเท็ดแล้วก็ได้บุญได้กุศลเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอานวยความสุขบํบำบัดทุกให้กับพี่น้องประชาชน ลูกหลานทุกคนแต่กอนนาเนี่ไปนอนไปนอนขางไปนอนฟุดบาดตุบหินตุบยุ่งอยู่ฮะเออปรจักนยุ่งป่ะจักเหง่อเพลอเอยังมีขี่ขโมยเอมากระชากลากถูไ อ, อ, อกระเป๋าหมุนหัวอีกต่างหากเข้าก็เคยได้ยินวันนั้นเข้าเลยมาเห็ด่องเนี่ที่ปลอดภัยมีตาคายมีมุงลวด มีนามรดิมเป็นห่องมีลอบประพอ่อดูแลกขุ่งข้องพี่น้องพระชาชนบันนอกบนหน้าเขาไปเฝ้าไข่เนี่ยหลบงพ่อก็คิดถึงท่านละเนี่ยละมืออื่นเนี่แหละหลวงพ่อฉันยังหันแล้วก็คือจีผ้าคณะแพทย์คณะหมอคณะกรรมการขมาเบิงเลยกับทีหมอบสีหมอบจังใดกันหมอบเพหมอบเ่ราะตหมอบเป็นพิธีสักน้อยหลวงพอ่อ เออเมื่อใดเขาจัดพิธีมอบกันว่าโอ้เราจะลงพ่อหรอกนะลงพอก็จะมอบแบบง่ายๆไปเออเอามอบแลวเ้อะพอกับวายสันแล้วก็แล้วท่านน่ะลงพ่อนี่ยเมื่อใดอยากในหนาได้ตายยังหอกได้ยังหนาก็ไมีแล้วตาก็เมีแล้วเพื่อเอหนาหนาลงพ่อโดยทุจ้าเบิ่งหนุนหนาย่ำขึ้นยังเนี่ยพวกนั้นลงพ่อบริขืดยังหอกมอบให้กับ พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์ชนแล้วก็แล้วอันหนึ่ก็คืออันหนึ่งอันที่สองก็สวดมนต์ทำพิธีเพื่ิทํทําทาบุญนะครับโรงพยาบาลเพิ่งจะเปิดอาค้ารหองผ้าตัดแต่ฟังๆเบิ่งแล้วลกัหลวงพ่อก็พออยากเบ่าเท่านั้เพิ่งว่าเพิ่งว่ า, วาพวกโรงพยาบาลไปเห็นผียำ่ำนั่นอนะ่ะมุม ม, ม, มุมับปึย่ำหองผ่าตัดมันไปเขาเจ้าก็เกลี่ยัน มนทําำหมุนทําท่านอุทิศส่วนกุศลอันนี้เป็นประเภทนี้อันหนึง่งแล้วก็อันที่สามก็คือจะได้ไปชุ่มคณะกรรมการมูลนิธิของหลวงพอ่อหลวงพ่อตั้งมูลนิธินะดุลรันนะ่ะพายอยากจะทํหมุนกับพระสงฆ์มูลนิธิพระอาจารย์อินถวายทานสุตตโกดูแลสงอาพาธโรงพยาบาล อุรานธานีเดี๋ยวนี้ก็เลยจะตุปปัจจัยเพื่อจะดูแลพระสงฆ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยข า, าหงอาหารขาดไอ้อย่างเพอเพอเกิขาดทรงศพหมดละแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ได้สื่อลดแอมโบรเลนทั้งทหารอากาศท่านผู้ ก, การบุญบุญสืบนะกับคณะเพื่อมอบ จ, จะตุปปัจจัยให้หลวงพ่อก็ได้สื่อหมอบ รถโรงพยาบาลเป็นมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายน่ขายับโรงพยาบาลสูงราคาล้านเก่าเพ่อไ้ล่ะลถคันนีลถโตโยต้าขห้กับโรงพยาบาลเหมาะไปแล้วเหมือนต้นเดือนมกราเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพวกกลุ่มของเฮาคณะของเฮาคณะศรัทธาญาดย่ม ของเฮ้าเพื่อดูแลระสงอาพาธในพระพุทธศาสนาบริว่าพระมหาในกายบริว่าพระธรรมยุทธบริว่าพระบานพระปาบริว่าพระเมืองเล่าเมืองเขมรพระจีนพระเวียดนามบริว่ากันผวดไดเจ็บไข่ได้ป่วยขคือมาเอออ้าวมูลนิธิของเฮ้าก็จะคอยบังเดี๋ยวนี้มันก็นยังหน่อยอยู่ขันว่าพีน่พ น, น้องพระชาชนสัทธายาธโยม ถวายเขามาหลวงพอจะมีคณะกรรมการทั้งหมดมี1ิหาคนหมดเลยไฟพระทั้งไฟทั้งหมอทั้งพยาบาลโมเมนของหลวงพอ่อองค์เดียวบริหารโมเมนจะตุปัจจัยเขามากกเขามาในมุน่นนิธิเหมือนมุ่นนิธิเสร็จแล้วก่อนคณะกรรมการก็จะได้ดูแลว่าที่ใส่ใจจังไรพระเน้นเจ็บไข้ได้ป่วยจังไดรคุมข้องตลอดแม่ชีด้วยนะ มูลนิธิของหลวงพ่อเงี่พพวพ่อเป็นนักพรตนักบวชบ่แ mm hmm. มนแต่คุ้มคล้องแต่พระให้คุ้มคล้องทั้งชี้ด้วยชี้เนี่ยก็เสียสะละออกมาจากบานจากเงื่อนไม่อยู่เป็นนักพรตนักบวชจะได้พึ่งผ้าอาศัยพี่นองคือเก่ากุโบได้บางที่มาบวชนั่นๆพี่นองตรมหายตายจากไปหมดละมีแต่ไม่ชี้เถาให้จังไดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกับมียุกไม่ยาดูแล หลวงพ่อก็ให้คุ้มครองชี้ด้วยหลวงพ่อก็คิดไก่ได้และอีกอย่างหนึง่งหลวงพ่อสําหรับหลวงพ่อเองนุ๊หลวงพ่อเนี่ยตัง้งจิตอธิษฐานเลยสาธุเนอะผู้ขาได้ซอยโรงพยาบาลได้ซอยพี่น้องลูกหลานทุกมุมทุกเราบ่ว่าพระบ่ว่านักบวชบ่ว่าพี่น้องประชาช่อนจะให้ผู้คขาได้เขาโรงพยาบาลเนอะถึงข้าวมากก็ให้ตายไว้ใบก็ลดมาแล้วแล้วไป อย่างไหนผู้ขา่าเคยทตายยแ ล, ะละ้วล่ะเกิดมาตายจิ่งไหนทีเป็นคุณงามความดีผู้ขา่าเคยที่ทำจริงนั้นไหนดีที่สุดคิดดีที่สุดทํำดีที่สุดเอ่ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาต่อผี่นอกประชาชนทุกมุกทุกเหลานะ่าหลวงพอ่อเคยคิดแด่เท่านั้นล่ะนะ <c oughs> ลูกหลานเลยมืออื่นหลวงพ่อจะได้ไปชั้นทางนอกนะ เมื่อนี่เป็นวันที่สมกราห้าแปดเมื่อวานในหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับสามวันนั้นนะหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับท่านพระสารีบุตรเถระอัครสาวกของพระพุทธทเจ้านะเมื่อวานกับหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับองค์ท่านมาชันจังหันกับพระ ลูกน้องบริวารห้าร้อยถูกโยมมันดาของท่านต่อว่าแตมไม่จริงก็โยมมันดาของท่านจะทำยังไงได้เหมือนกับแม่ของพวกเรานะลูกหาเงินมาให้พวกลูกๆตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านแปดสิบโกดลูกก็มีตั้งเจ็ดคนทั้งลูกชายลูกสาวออกบวดหมด ทำใไม่ทำให้แม่ช้ำอกช้าใจก็อยู่ไม่ได้ก็ธรรมดากับแม่ก็ต้องดุด่าว่ากาวแต่ถึงแม่ดุด่าว่ากาวยังไงท่านเป็นลูกท่านก็ก้่อมหน้าฟังใหอฟังจะแม่จะด่ยายังหวายังเอาหวาดเอ้สรุปแล้วก็คือแม่ของท่านเป็นเด็กท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วเหมือนเป็นผู้ใหญ่ ถ้าพิจิคิดเป็นเปรียบเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วนะพระหันนี่คือแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ละเต็มที่ละมีสติสมบูรณ์ปุตชนยยังเป็นเด็กถึงจะตัวเองจะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็เถอะยังเป็นเด็กยังเป็นเบบี้อยู่ยังอยู่ในกรอบของกิเลสราคะโทสะโมหะยังควบคุมหัวใจอยู่ แต่พระหรหันในท่านตัดกิเลสราคะโทสะโมหสกัดออกหมดแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เป็นผู้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาบริบูรณ์อันนี้ก็คือพระหรหันแต่นอกจากนั้นลงมานะไอปุตุชนเนะี่ยยังเป็นเบบี้อยู่พราะอะไรเพราะอยู่ในกรอบของกิเลสครอบงําเพราะฉนั้นท่านเป็นพระหรหันท่านก็มองมองดูแม่ของท่าน ถึงถึงจะถึงแม่ของท่านอายุแกก็เถอดเป็นแม่นะแต่ท่านก็มองว่าเป็นเด็กใจยังใจของแม่ยังเป็นเด็กอยู่ท่านเนี่ยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ลนะเพราะฉะนั้นถึงแม่ถ้าจะด่าท่านก่เหมือนกับเด็กเด็กด่าคนดา่าเด็กด่าพ่อด่าแม่อย่างนั้นเด็กตัวเล็น้อยหน่อด่าพ่อด่าแม่ดูเฉยนี่นี่แหนะละอันนี้ก็คือแม่ของท่านก็หฮวงโลกิยา มีเงินทั้ง80โกิบโกดมากมายมาาหาศาลกิจการมากมายลูกหนีหมดแต่ภาษาลรบุตท่านก็มองเอ้ยอันนี้มันโลกิยะมันไม่ใช่โลกุตระโลกุตระทระัพย์นี่อีกอย่างหนึง่งโลกิยะทรัพย์มันเอาไปด้วยไม่ได้หรอกตายแล้วก็แ บ, บมือขนาดเทนเ้ำใสฟฝ่ามือมก็ยังไถไหลลงดินเท่านั้นแหละจะไปใส่จิตใส่ใจอะไร ม, มากมายนักหนาะ ใ น, นผู้ใหญ่ฮะผู้ใหญ่คิดนะแต่เด็กน้อยเนาะไม่ได้ขนมมันจะหายขนมมันจะหกขนมมันจะเหี้ยเลี่ยลาดร้องห่มร้องให้เสียดายขนมฮะแต่ผู้ใหญ่เอ้ยของที่จะซื้อขนมอะไรเอกมียายมากกว่านี้นี่แหละอันนี้แหละคือพระสารีบุตรพระเทเรกับน้องๆทั้งหลายได้สําเร็จเป็นพระหันมดพระทับ ขมันและบุตรและก็ น, น้องสาวอีกพระเลวตาเนี่ยน้องภาษาลิบุตรทั้งหมดทาเจเป็นพระหันเนี่ยท่าน ค, คันคิด ถ, ถึงแม่ของท่านยังหัวอยู่ในสมบัติท่านก็ได้มีน้ำใจถึงแม่จะดุด่าว่ากาวอย่างไงท่านก็ใจดีเงียบฟังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าว่าพวกเราเป็นลูกๆ ก, ก็เหมือนกัน ถ้าเราวเราได้รับการศึกษาดีแล้วเป็นผู้มีปัญญาปัญญาตรีโทเอกถึงพ่อแม่จะดูด่าว่ากล่าวยังไงเราก็ต้องทำใจนิ่งเงียบฟังเหตุฟังผลอย่าไปถกอย่าไปเถียงมีอะไรยังคอยวาดเมื่อท่านใจดีเราจึงค่อยอธิบายให้ฟังพยายามท่านถ้ า, ถ า, ถ า, ถาท่านอยากจะฟังนะ ถ้าท่านไม่อยากจะฟังเราก็ไม่ต้องอธิบายฟังก็ได้อยู่ในใจของเราก็จบไปนี่แหละการอยู่ด้วยกันถ้าว่ามีความขันติมีความอ ด, ดทนนะเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจท่านเข้าใจเราเราเข้าใจท่านนะเรื่องเราจะไม่เกิดขึ้นนั้นลูกลานนะถ้าว่าพวกเรามีแต่ทิฐิมานะเห็นว่าแต่ตัวเองฉลาดว่าแต่คนอืน่นคนอื่นโง่ถ้าตัวเองฉลาดจริง เขารู้จักวว่าคนอื่นเขาโง่อยู่แล้วนะเราจะไปโง่กับเขาอีกทำไมล่ะตัวเองฉลาดอยู่แล้วนะก็ต้องทำตนทำใจของเรานะฟังนะเหมือนกับภาษาริบุตรนะภาษารีบุตรกับแม่ของท่านนะแต่แม่ของภาษาริบุตนะรเนี่ยกนในตํารากรมีอีกนะลูกลานพระพุทธเจ้าท่านปารภเหมือนกันนะครั้งหนึ่งพระแม่ภาษาริบุตร คงจะเป็นภาษาริบุตรกับพวกน้องๆมั้งบอกกระตุ้นให้แม่นิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้ามาฉันที่บริษัทหรือว่ามาสานที่บ้านเพราะท่านเป็นตระกูลเศรษฐีใช่ไหมละ่ะนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านพระพุทธองค์ก็รับนิมนต์เพราะเป็นบ้านของอัครสาวกกภาษาริบุตรท่านก็มา มาฉันในปลัะลำประลำพิธีใหญ่ที่เขาจัดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นประมกุกเป็นประธานทั้งที่แม่ของภาษาริบุตรเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นประธานสงทั้งที่จะเคารพหน้อมเข้ามากราบไหว เ, เพราะแขกผู้ใหญ่เข้ามาในในบ้านในมาในในบ้านของตคนของตนเอง เวลาอะถวายอาหารก็ต้องถวายพระพุทธเจ้าซะกอนจึงถวายภาษ า, าวกองค์อืิญอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพวกเราที่เข็นแขกผู้ใหญ่เข้ามาในบ้านใช่ไหเออย่างเจ้าฟ้าเจ้าคุณมาหาหลวงพ่อเนหะมือนกันพอนั่งขึ้นมาแล้วก็เ อ, าอเ้าเขารบท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วยังค่อยว่าองค์อื่นต่อไปแต่นีนแม่ภาษาเลยบุตรไม่เป็นอย่างนั้น ه, พอเห็นพระพุทธเจ้าเลยเชิญไ้ใครมาอยู่ในสายตามีอย่นะเอแปลกในศะรัทธายาโยมแต่ถ้าคอยฟังหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเป็นยังไงเห็นเชิเป็นอาถวายอาหารพอถวายอาหารก็ถวายไม่ถวายพระพุทธเจ้าถวายองค์อื่นต่อไปเออถวายองค์อื่นต่อไปถามว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายตาแลนะ้วงั้น พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นก็แปลกใจเอแม่อัครสาวกเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้วะนะพระสงฆ์ทั้ ง, ทงหลายนะเอแต่ก็ไม่พูดพูดไม่ได้เพราะอยู่ในเหตุการณ์ไยแม่พระสารีบกตาทำบุญทำไปเอ๊ะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายไม่ได้อังคลาดด้วยอาหารนกับแม่กับพระพุทธเจ้าตั้งที่มาในบ้านของตัวเอง ทนี้พระสงฆ์ฉันจังพระพุทธองค์ก็อนุโมทนาให้พอรอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับวัดกลับวัดเวรวันพออยู่ในกรุงราสชสักขีใพอกลับไปพระสงฆ์ก็ น, นั่งสนทนากันในโลงธรรมอะอย่างโรงศาลาอะเนี่ยนั่งกันเอ๊ะพวกเราในสังเกตไหมวะวันนี้พระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์พวกเราันน่ะทั้งที่แม่แม่พระอัครสาวก ทั้งที่ท่านจะถวายอาหารพระพุทธเจ้าแต่ท่านบอกพวกเราเห็นไหมพระสงฆ์เห็นทําไมแปลกวทําไมไม่ถวายพระพุทธเจ้าวถวายองค์อื่นแต่นีนพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสด็จมาพวกเธอถัดสนทนากันพูดคุยกันเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์ก็เลยกราบทูนพระพุทธเจ้า ว, ว่าวันนี้พวกข้าพระองค์เห็น แม่ท่านพระอาร拉สาวกหนึ่งแปลกทั้งที่เป็นเจ้าของบ้านพระพุทธองค์กับเป็นผู้ใหญ่เป็นประธาน ท, ทั้งที่จะถวายประธ า, ารถวายสิ่งของกับพระพุทธองค์แต่กลับไปถวายองค์อื่นเหมือนกับไม่แยแสไม่รู้ไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็เลยแปลกใจก็เลยมาสนทนามาพูดกันเนี่หละพระเจ้าค่านะพระพุทธองค์บอกเอออย่าไปแปลกใจ จะไปแปลกใจเพราะว่ากรรมแนะ่มีกรรมด้วยนะท่นนี่พระองค์อ้างถึงกรรมกรรมในอดีตท่านพระปทุมวงศ์ว่าพระสวงฆ์วัามีอะไรหนอพระเจ้าขา่าเนี่ยกรรมในอดีตที่พระพธองค์จึงนางพระมารดาของท่านพร ะ, พร ะ, พระอัครสาวกจิงได้ทำอย่างนี้พระเจ้าขา่าสมัยหนึ่ง เ, เราเป็น ชาวบ้านเขาไปเราไปทาไร่ทำสวนเนี่ยนะพอตกนานาแล้วก็ทำนาพอตกนาแล้งเราก็ไปทำสวนไปทำไร่คล้ายๆกับว่าเราไปถางป่าพอถางป่าเสร็จเราก็ปลูกพวกฟักพวกแฟงพวกข้าวพวกอาหารพืชไร่แล้วก็ทำนาด้วยทำไร่ด้วยแต่เราไม่ได้แต่งงานเราเป็นเป็นเป็นหนุ่มโสด ในชาตินั้นเราเป็นหนุ่มโสดเวลาเราไปที่ใดก็มีหมาตัวหนึ่งหมาตัวเมียหมาตัวเมียมาทางไหนก็มป็นรุ ม, มาอยู่ในบ้านะไปที่ไหนหมาตัวนั้นก็ไปด้วยไปที่ไหนหมาตัวนั้นก็ไปด้วยไอคนทั้งหลาย ก, ก็บอกว่าไอ้นี้มันไม่มีเมียมันเอาหมาเป็นเมียเลยก็เลยูโมโหให้หมา เ, เอยจะไล่มันมันก็วิ่งนหนีซะพอเนื้อก็มองหน้าก็ตามหลังอีก จะฆ่าจะตีมันก็นยังไงเลยเอีมันก็ตามหลังแต่ลำคาญกับมัน่ะโอ้มันไปที่ไหนก็ไปด้วยเอีหมามันหมามันรักเจ้าของไงเอี่ยผมนิชูก็เลยวันหนึ่งไปขาวนั่นอ่ะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อาหารมันหมดเลยไม่ให้อาหารหมาเลยกันเนี่ยไปถางป่าถางป่าดื่มน้ําเสร็จแล้วก็กินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วแล้วทั้งที่มันเหลืออาหารเหลือให้หมาไนงะ แต่นั้นไม่ให้หมาเอาอาหารใส่ในถุงเสร็จเร็วแล้วก็แขวนแขวนไว้นแขวนไว้ในต้นไม้ไม่ให้หมากินหมาตัวเมียตอนนั้นเหมือนมองอยู่ในถุงข้าวนะเออน้ำไหลไหลอย่างมันอยากมันอยากอาหารแต่นี่ก็มาได้สนใจละมึงจะมากับกูมึงจะให้มันหนีไปห่างหนะ่างมึงจะมากับกูทําไมวะกูไม่อยากจะให้มึงมาเออ หมาตัวนั้นก็เลยมันก็ยังไปตามทุกวันอยู่เออเพราะมันรักเจ้าของไนงะนั่นแหละกรรมตัวนั้นละ่ะกรรมที่เราทำกับหมาเนี่ยมาพบนิชาตินี้กันนั่นแ่ะหมาตัวนั้นก็คือแม่ของสารีบุตรนี่แหละ เ, เรากเป็นชายหนุ่มคนนั้นละ่ะน่แหละมันกรรมติดพบติดชาตินะพวกท่านทั้งหลายนะ เพราะนั้นกรรมที่มันไม่ดีอย่าไปทำให้คนอื่นเขาแต่เมื่อทำเขาไปแล้วนะ่กรรมตอนนั้นมันจะตามสนองมาหาเราน่ะเพราะนั้นแม่ของสารีบุตเห็นเราเย่ยไม่อยู่ในสายตาเลยไม่อยู่ในสายตาคลายๆแบไม่ไม่เอื้อเฟื้อเอือ้ออารีวพรางั้นเถอะเพราะว่าเราทำกับเขามาก่อนทำกับหมาทั้งที่อาหารมันเหลือกัน น่าจะให้โยนให้มันกินเอ่มันก็กลัวมันเบื่อมันเบื่อหมาไปเออมันทําไมติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะให้มันมาตามไงอแต่มันก็มันก็อดไม่ได้มันก็ตามทุกครั้งไงเอ่อวนให้ชัวร์กันน่ะไม่ให้อาหารมันบางทีอาหารเหลือใส่ถุงอะไรกัไปแขวนไปต้นไม้หมาท่านนี้กัเธอมองมองถุงอาหาร แสดงว่าเยข้าอยากอาหารเน่าข้าหิวอาหารเน่าจนน้ำลายไหลมันหิวแต่เจ้าของไอ้หนุ่มใหญ่นี่ก็เฉยไม่ได้สนใจนี่แหละบาปกรรมทั้งนั้นแตัดตามตามมาเพราะนั้นแม่อั克拉ศาวกมาเห็นเราจึงไม่ได้ไม่ได้แยแสไม่ได้ให้ความสําคัญเอไม่ให้ความเอื้อฟเฟื้อกับเรานี่แหละอันนี้ก็คือกรรมนะเนี่ยมาใน ที่ท่านพูดเป็นอดีตรกรรมพระพุทธเจ้ากับแม่ของพระอครส า, าวกท่านสาลิบุตอันนี้พวกเราคณะจัทธาญาติโยมฟังเอาไว้เพราะหลักพุทธาศาสนานี่ท่านเน้นเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำทำสิ่งไหนที่ไม่ดีกับคนอื่นไว้กรรมนั่นจะตามสนองถ้าทำกรมกรมใดกรรมใดทำกรรมดีเอาไว้ กรรมนั้นก็จะตามสนองเช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านจึงให้ทำแต่กรรมดีคิดดีทาดีพูดดีการทำกรรมมันประตูประตูของกรรมประตูของกรรมจะเข้ามามีอยู่สามวาวทวานราาก็คือประตูนั่นแหละสิ่งที่จะเข้ามาหาใจหาตัวของเราได้ก็คือมโนกรรมคิดไม่ดีถ้าคิดดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าคิดชั่วก็เป็นอกุศลกรรม ทำดีเป็นกุศลกรรมทำชั่วเป็นอกุศลกรรมพูดดีเป็นกุศลกรรมพูดไม่ดีเป็นอกุศลกรรมนี่แหละมันมีกรรมดีกับกรรมชั่วมีประตูเข้าสามทางคือมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราสัมลุมทั้งสามทวารสิ่งที่มันไม่ดีอย่าให้มันเข้ามาทางทางใจทางกายทางวาจาร์ปิดเอาไว้ ที่มันไม่ดีนะให้เปิดทางที่ให้มันสิ่งที่มันดีเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจนะต่อนนี้ไปรับพรวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราคณะจตหายาตโยมพูดที่แรกเป็นพูดภาษาท้องถินนะ่นภาษาท้องถิน่นภาษาอีสานของพวกเราฟังง่ายๆต่อมาก็ได้พูดเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของ พุทธศาสนาอัครสาวกของพระพุทธเจ้าของเราฮะตอนนี้ไปรับพร